เป็นสิ่งที่ให้ความสุขและความทุกข์กับพวกเราเป็นความสุขและความทุกข์ที่รุนแรงหรือมีน้ําหนักมากกว่าความสุขทางร่างกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็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 จะทําความจริงคืออริยสัจสี่พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมาเห็นอริยสัจสีเออ่เห็นเห็นใจรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะสามารถดับความทุกข์ในระดับต่างๆได้ ซึ่งมีอยู่สี่ระดับด้วยกันいいระดับของพระโสดาบันระดับของพระสกิรดาคามีระดับของพะษษษษษษาาระ อ, ะอานาคามีและระดับของพะอระอรหันต์ก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับขั้นของปัญญาที่สามารถพิจารณาเห็นไตรลักเห็นอริยสัจสี่หรือเห็น ความไม่สวยไม่งามของร่างกายใจก็จะก้าวขึ้นไปตามลำดับท่านถึงแยกโล ก, กุตละธรรมไว้เก้าขั้นด้วยกันคือมรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งมรก็คือการเจริญวิปัสสนาในแต่ละขั้นโสดาปติมรผลก็คือ เวลาที่ได้เห็นอย่างชัดเจนเห็นายรักเห็นอริยสัจสในขั้นของพระโสดาบันขั้นของพระสกิดาคามีอนณาคามีขั้นของพระอรหันต์ก็เช่นเดียวกันก็ต้องเห็นใจรักเห็นอริยสัจสเห็นนสุภขั้นของพระสกิดาคามีกับพระอนณาคามี ก็ต้องเห็นหนักสุภะความไม่สวยไม่งามของร่างกายขั้นของพระอาหารหันต์ก็ต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอะหันอริยสัจ ส, สี่ภายในจิตพอถึงขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็จะได้พระนิพพานเป็นผลตอบแทนพะนิพพานาก็คือการสิ้นสุด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 ที่มีความสามารถที่จะสั่งสอนเทวดาได้ก็จะมีเทวดาที่ฝ่ายธรรมมาศึกษาพวกเราก็เป็นมนุษย์ที่ฝ่ายธรรมพวกเราจึงพยายามหาสถานที่หาครูบาอาจารย์ที่สามารถนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ไม่เป็นสมาสติมาหาปัญญาก็ยังพอทำลายไดนะ้เช่นขั้นของต่าที่ต่ำกว่ามมาสติมาหาปัญญานะเช่ น, ข, ข, น ข, ขั้นของพระโสดาบันสกีดาคามีอานณาคามนะีความอยากต่างๆมันไม่ได้ทํางานตลอดเวลาเหมือนขั้น ข, นของออพระอรหันขั้นที่จะขั้นอรหันต์ตมักเนี่ย กิเลสตันหาทํางานตลอดเวลาสติปัญญาจึงต้องเป็นสติปัญญาแบบอัตโนมัติทํางานตลอดเวลาคอยจับกิเลสตันหาที่ทางานอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของอทำขั้นต่างๆที่จำเป็นต่อการดึงใจให้ออกจากกองทุกข์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 แล้วก็ส่งออกบําเพ็ญรักษาศีลอย่างเต็มที่จเจริญสมถะ ภ, ภาวานาวิปัสสนาภาวานาอย่างเต็มที่หรือตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับจะทรงภาวานาเป็นหลักเนี่ยศีลก็รักษาไว้ถ้ามีการบําเพ็ญภาวานาแล้วเรื่องศีล น, นี่ก็จะไม่มีการที่จะไปละเมิดนเพราะการภาวานานี้ไม่ต้องไป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 ในการบำเพ็ญสมถะภาวนาพอเราบำเพ็ญภาวนามากเข้ามากเข้าจิตก็จะสงบมากเข้าและจะสงบได้เต็มที่ในที่สุดจิตก็จะรวมเป็นอัปปนาพอจิตรวมเป็นอัปปนาแล้วทีนี้เวลาเราพิจารณาทำทาที่เราพิจารณานี้มันจะเข้าไปฝังอยู่ในใจ มันจะไม่ไปอยู่ที่สัญญาความจำมันจะเข้าไปอยู่ในใจเพราะมันจะเห็นธรรมเหล่านี้ชัดเจนเพราะธรรมเหล่านี้มันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในใจนั่นเองแต่ใจเราไม่เข้าเข้าไปไม่ถึงใจใจเราถูกขันขวางเอาไว้ใจของเรานี้ติดอยู่กับขันติดอยู่กับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมองไม่เห็น ธรรมที่แสดงอยู่ในใจคือทุกสมุทัยนี่โรดมาักพอเรามีสมถะภาวนาแล้วเราจะเริญนปัญญาพิจารณาธรรมต่างๆมันก็จะเป็นมรักขึ้นมาในใจของเรานี้มีสมุทยัยเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองใจเรามาตลอด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 ส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังถ้าสามารถมองเห็นคส่วนนั้นได้ก็จะเห็นว่ามันไม่น่าดูไม่สวยไม่งามเลยอันนี้คือปัญญาที่เราต้องน้อมเอาเข้าไปในใจให้ได้แต่เข้าไปในใจได้ก็ต้องใจต้องเป็นใจที่สงบเป็นอัปปนาถึงจะเข้าไปถึง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 กิเลสเริมออกมาบรบกวนใจความสงบที่ได้จากสมาธิก็จางหายไปได้ถ้าเราพิจารณาทำใช้ความคิดปรุงแต่งไปความสงบก็จะจางหายไปได้พอความสงบจางหายไปกิเลสตัณหาก็จะมีกาลังเพิ่มมากขึ้นกิเลสตัณหาก็จะเด่งเราไปคิดในทางของกิเลสตัณหา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 จึงต้องทำให้คนไข้สลบก่อนด้วยการนมยาสลบแล้วก็ต้องคอยควบคุมให้คนไข้นี้สล บ, สลบอยู่อย่างต่อเ น, นื่องเพราะถ้ายาหมดสภาพไปคนไข้ก็จะเฮ้ขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาก็จะไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ต่อก็ต้องให้คนไข้สลบกลับไปใหม่ก่อน ในการพิจารณาวิปัสนาเจริญปัญญาก็เป็นลักษณะทาการผ่าตัดให้แก่ใจนั่นเองใจที่ยังมีจิเลสอยู่นี่จะไม่ชอบพิจารณาตายรักจะไม่ชอบพิจารณาอาสุภะจะบังคับยังไงมันก็ไม่ชอบเหมือนกับคนไข้ที่ไม่ยอมให้หม อ, อทำการผ่าตัดถ้ายัางไม่สงบดังนั้น การที่จะพิจารณาตายลักพิจารณาอสุภะได้อย่างต่อเนื่องนี้จําเป็นจะต้องมีใจที่สงบที่ไม่ดิ้นไม่ต่อต้านไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หลีกไม่ไม่หลีกนีจากการพิจารณาหลีกนี้ไปคิดทางเรื่องอย่างอื่นถ้าใจไม่สงบนี้พิจารณาได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะถูกกิเลสตัณหา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 นี่คือทานของปัญญาเป็นอย่างนี้แต่เราเรียกว่าเป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ได้เพราะทันต่อเหตุการณ์นันเองทันต่อกิเลสตัณหาพอกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาปับ๊บตายรักก็จะออกมาต่อสู้ทันทีอสุภะก็จะออกมาต่อสู้ทันทีพอมีกู้ต่อสู้ที่มีกําลังมากกว่ากิเลสตัณหาก็ต้องยอมแพ้ไป หยุดไปในที่สุดดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเดินตามขั้นตามตอนที่พระพุทธเจ้าณะครูบาจารย์ทั้งหลายท่านสอนกันอย่าไปฟังพวกที่ไม่ได้กไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังพวกที่ศึกษาแล้วก็มาสอนพวกนี้มักจะสอนไปตามความอยากของกิเลสตัณหา กิเลสตัณหาไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบทาใจให้สงบเขาก็จะสอนว่าไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิไม่ต้องทาใจให้สงบจเจริญปัญญาได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจะสอนสัมมาสมาธิไว้ทำไมเราจะเชื่อใครดีเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกูบาอาจารย์หรือเราจะเชื่อพวกที่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 แล้วการเจริญปัญญามันก็จะได้เป็นไปอย่างไปอย่างต่อเนื่องเวลาเหนื่อยหรืยว่ากลากำลังของความสงบหมดก็หยุดพักเข้าไปในสมาธิสลับกันไปเริ่มต้นก็เอาสมาธิอย่างเดียวก่อนเอาให้มันชานาญเอาให้มันแน่นเข้าได้ตลอดเวลาทุกเวลาแล้วก็อยู่ได้นาน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 ยุติไว้เพียงเท่า น, นี้และขออนุโมทนาให้พรในสารานี่มีใครอยากจะถามปัญหาไหมและใครอยากจะเสนอแนือะไรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเมื่อมนุษย์เราตายมีทางไปเจ็ดทางถามว่าทางที่สามไปสวรรค์ต้องมีกำลังของฮิริโอตปะ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 ก็ยังผิดสีห้าอันนี้ก็ต้องไปทดลองดูเอากันแล้วกันคำถามต่อไปค่ะดิฉันและครอบครัวได้ถวายเครื่องไตยทานที่วัดแห่งหนึ่งพี่สาวก็ถามว่าหลังจากที่เราถวายวัตถุสิ่งของเสร็จแล้วพระไม่ต้องให้พรได้ไหม พระก็ตอบว่าพระไม่ต้องให้พรก็ได้เพราะญาติโยมได้ทำบุญสำเร็จแล้วจึงอยากถามพระอาจารย์พระควรให้พรไหมคะก็อยู่ที่โยมอยากจะได้พรและอยากจะได้บุญนะถ้าอยากจะได้บุญก็ไม่ต้องให้ถ้าอยากจะได้พรก็ต้องให้คำถามต่อไปค่ะจากคุณทีรพัทน์ การโสภโนขอเรียนถามพระอาจารย์การเข้าถึงพระโสดาบันนั้นที่ว่าต้องละต้องละสักกายะทิฏฐินั้นต้องปฏิบัติอย่างไรและโสดาบันนั้นยังมีโลภโกรธหลงอยู่หรือไม่ก็การละสักกายะทิฏฐิก็คือการมองเห็นร่างกายของเราว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอื่น ร่างกายคนอื่นเวลาเ้าเจ็บเราไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมร่างกายของคนอื่นตายเราไม่ทุกข์ด้วยใช่ไหมร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอยากจะเป็นโสดาบันก็คือต้องมองเห็นร่างกายของเราว่าไม่ใช่ตัวเราของเราส่วนท้าโสดาบันนี้ก็ยังมีความโลภมีความหลงในระดับที่สูงกว่าที่ยังไม่ได้ละได้พราะโสดาบันก็มีความโลภทางการารมณ์ยังอยากจะ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 พรวาวะตัญหาของพระองค์ใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันยังไม่สิ้นตัญหาหรือคะ <c oughs> อันนี้คำถามฟังแล้วยังไม่ไม่เข้าใจความหมายของคำถามไม่อยากจะตอบเขียนมาใหม่ก็แล้วกันเขียนให้มันชัดหน่อยว่าอยากจะถามอะไรกันแน่คำถามต่อไปนะคะจากท่านเดิมคุณกนกพรค่ะ พระพุทธเจ้าและพระอระหันต์ท่านสิ้นกิเลสแล้วแสดงว่าท่านสิ้นราคะโทสะโมหะด้วยหรือเปล่าคะสิ้นแล้วเหมือนกันราคาโทสะโมหะความโลภ ก, กดลงความอยากกในการการมาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหานี่ก็เป็นพวกเดียวกันนั้นท่านไม่มีแล้วอยห่ในใจของท่าน ต่อจากคำถามเดิมกิเลสกับปัญหาต่างกันอย่างไรคะก็ต่างกันที่ชื่อนะึไแต่ตัวเดียวกันคนะํคำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะอุปปกิเลสกับกิเลสต่างกันอย่างไรคะก็ตัวเดียวกันนะต่างกันที่ชื่อคาถามต่อมาค่ะมีพระรูปหนึ่งบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงมีทุก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 ร่างกายของพระพุทธเจ้ากับร่างกายของพวกเรานี้ไม่ต่างกันเวลาถูกเข้าตีหัวก็เจ็บเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เราเจ็บใจแต่ท่านไม่เจ็บใจท่านให้อภัยท่านไม่โกรธไม่แค้นอย่างพระเทวทัศน์นี่ท่านไม่มีความคิดกอดแค้นกอดเคืองแต่อย่างใดจายของพุทธเจ้าไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีราคะโทสะโมหะเอค่ะคําถามสุดท้ายค่ะจากคุณวีวี่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 ดังนั้นมันไม่ขัดกันถ้าเรารู้จักเข้ า, ขาใจความหมายข้ลือหน้าที่ของแต่ละส่วนหน้าที่ของพ่อพุทธพระธรรมทังส์งก็คือบอกทางสอนทางสอนวิธีของการปฏิบัติเพื่อให้เราได้พ้นทุกข์ส่วนเรานี่ก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเอง พ, พ่อพุทธเจ้าพ่อธรรมระสงส์ปฏิบัติให้เราไม่ได้่างนั้นเราก็ต้องมีทั้งพุทธทางธรรมังสงังขังเป็นสาระนะเป็นที่พึ่ง และลองมีตัวเราเองเป็นนิพึ่งเพราะเราต้องปฏิบัติธรรมของพพระพุทธเจ้าเราถึงจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ค, ดคำถามหมดแล้วมีไหมอตอนนี้มีก็ส่งมาให้หน่อยคอือท่านอาจารย์เคยไม่ตาอธิบายลูกแล้วแต่ว่าลูกยังไม่เข้าใจข อ, อ, องแท้จ้่ไคะคือคือท่านอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นระดับโสดาบันเนี่ยจะ เข้าใจถึงการเกิดดับแล้วแต่ว่ายังมีราคาคือยังเห็นความสวยงามคือรูกไม่เข้าใจว่าถ้าเกิด เ, เราเข้าใจว่ามันมีการดับไปเนี่ยมันมันก็ความสวยงามก็เราก็น่าจะเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงคือลูกยังไม่ออกระหว่างระหว่างสองตัวนี้นะะท่านอาจารย์ว่าทําไมตัวหนึ่งเห็นแต่อีกตัวหนึ่งไม่เห็นนะคะก็เห็นตัวเดียวเห็นความตายมเห็นความไม่สวยงาม เวลาคนตายเราเคยไปเปิดโลงศพเขาดูว่าแบบแต่เรารู้ว่าเขาตายรู้ว่าเขาไม่สามารถทําอะไรได้แล้วแต่เราไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมไปดูศพของเขาถ้าอยากจะดูความไม่สวยงามของเขาาก็ต้องไปดูศพของเขาอีกขั้นหนึ่งถึงจะร่าอีกขั้นหนึ่งได้เช่นสามีคนตายคนยังคิดถึงเขาอยู่เวลาคุณดูภาพก็ดูภาพที่ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ นึกเขาที่นึกถึงเขาที่ลายก็ยังรักยังชอบยังหวงก็อยู่แต่ถ้าคุณไปดูตอนที่เขาตายแล้วคุณอาจจะไม่รักไม่ชอบเขาอีกต่อไปต้องพิจารณาสุภาษสุภาะก็คือต้องดูสภาพของร่างกายที่ตายไปแล้วตายสวันเป็นอย่างไรตายเจดวันเป็นอย่างไรถ้าเอาไปทิ้งในป่าชา้าถูกแรงถูกกากาดกินถูกสุนัข ร่างกายกระจัดกระจายไปเห็นตับตไตอวัยวะไส้พุงอะไรต่างๆเรากระทั่งเหลือแต่โครงกระดูกไปที่ค่ายไปเยี่ยมปา่าช้าก็เพื่อให้ไปเห็นสภาพของร่างกายที่หลังจากที่ตายไปแล้วจะกลายเป็นอย่างไรไปภาพเหล่านี้เรายังมองไม่เห็นกันเราเพองแต่เห็นว่าไม่หายใจตายแล้วเราก็เลยยังไม่เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย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 หมาว่าร่างกายนี้ตายแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วไปเที่ยวไปกินไปดื่มเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ได้แล้วแค่นั้นเองอย่างสามีตายสมมุติถ้ามีสามีท้าตายแล้วเก็บศพไว้นอนต่อได้ไหมสามวันนะ <c oughs> <c oughs> หัวเราทีนี้กคจะมาแย่งไปยกให้เข้าไปไหม <c oughs> อ, อาจารย์ไหมอาจารย์ครับ ถ้าอ่านั้นหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายตายไปได้เนี่ยก็คือว่าเราแค่รู้ว่าว่ามันไปแล้วแต่ว่าเราหมดสิทธิ์ในร่างกายนี้แล้วเอมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแล้วแต่ขนาดร่างกายเราก็ยังไม่ยอมตายกันเพราะสมบัติร่างกายมันเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในบรรดาสมบัติต่างๆที่เรามีอยู่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 ถ้าไปห้ามไปอยากไม่ให้มันตายมันจะเครียดมันจะทุกข์ขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยให้มันตายไปเ okay. มื่อก่อนลุงนะรู้ว่ามันคู่กันถ้ามันไม่คู่กันถ้าถึงสอนเรื่องอ น, นิจจังกับอสุภะเ น, นี่ยอนิจจังก็คือความไมติธรรงเกิดแล้วดับอสุภะก็คือไม่น่าดูไม่สวยไม่งาม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 ทุกกับลูกเต้าที่ตามมาอีกเป็นพวงไปเป็นกองทุกเป็นพวงไปถ้าเราดับการมารมได้เราก็จะอยู่คนเดียวได้จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว่าเหวเพราะความเหงาความว่าเหวนี่มันก็เกิดจากการมารมนี่เกิดจากความอยากหาความสุขกับผู้อื่นต้องขั้นต่อไปพอได้ผ่านขั้น ลาส ก, กายะทิฐิได้แล้วก็ต้องเข้าไปสู่ขั้นละการมาราคะนะ ต, ต้องพิจารณาอาสุภะอย่างต่อเนื่องทีนี้งานเป้าหมายเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนพิจารณาความตายความเจ็บพอนี่ผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหากับเราแล้วนี่ปัญหาที่ยังเป็นกับใจอยู่ก็การมารมราคะตัณหาก็ต้องพิจารณาอาสุภะอยู่เรื่อยๆมองเห็นใครก็ต้องมองเข้าไปทะลุ ป, ปุโปก มองเห็นสามสิบสองอาการหรือมองเห็นเวลาให้เขาตายไปแล้วถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะดับการมรรมได้อันนี้เป็นเรื่องของร่างกายบ่นเรื่องของร่างกายแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องจิตนีกในจิตก็ยังมีกิเลยมีมีมีอัตตาตัวตนอยู่มีความยึดติดในความสุด ข, ของจิตนีก ความยึดติดในความสุขก็เหมือนกับยึดติดความสุขของร่างกายพอ ok. เรายึดติดกับความสุขเวลามันไม่สุขเราก็จะทุกข์ขึ้นมาพอเราอยากจะให้มันสุขไปเรื่อยเห eh. มือนกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บข้ได้ปวดขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาพอเราต้องการให้ร่างกายมันไม่ทุกข์ไม่เจ็บไข้ได้ปวยให้มันสบายไปตลอดจิตเราก็เป็นเหมือนร่างกายเหมือนกันเป็นตายรักเหมือนกัน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 มันมีขั้นมีตอนจะไปข้ามขั้นไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับเวลาที่เราส่องกล้องจุลทรรศน์ดูดูเตอเชื้อโรคเนี่ยมันเราต้องขยายกาลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะเห็นตัวที่มันเล็กที่มันละเอียดลงไปเรื่อยๆตอนต้นเราก็เห็นตัวที่หยาบก่อนพอตัวหยาบหมดแล้วอยากจะดูตัวละเอียดก็ต้องเพิ่มความความความขยายของกล้องให้มันขยายได้ ใหญ่ขึ้นแต่ในปัญญาขั้นต้นก็ต้องต่อสู้กับปัญญากิเลสตัวยับยาบก่อนกิเลสตัวหยับยาบก็อยู่ภายนอกไปติดกับราบยศรเสริญไปติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายติดกับคนนั่นติดกับคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นตายรักเหมือนกันมันเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวเดียวแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องหาใหม่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 นั่นว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ยังดีใช่ไห้อย่า ง, งคนที่สามสิบเอ็ดนี่ความสุขแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ พ, อพอวันที่หนึ่งผ่านไปมันก็หม ด, ดแล้วแต่ก็อดไม่ได้ที่ต้องไปฉลองกันเพราะมันไม่มีความสุขใจแต่ถ้าคนมีสมาธิก็ไม่ไปอยู่วัดอยู่บ้านนั่งสมาธิทําใจให้สงบไปสุข ก, กว่าเยอะแยะสบายกว่าเยอะแยะไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปเต้นนักติดกาไม่ต้องไปนับถอยหลังกัน <c oughs> บ้าวบ้ า, บาคนนี้มีความสุข ก, ก็ทำไมต้องร้องแฮปปี้นิวเยหรอคนมีนไม่มีความสุขมันเลยต้องร้องหลอกกันไปหลอกกันมาแล้วพอตอนช้าก็ปวดหัวกินเหล้ามากเกินไปก็ไม่หลับบางทีก็ กย่าจะตื่นก็สายโดนี่แหละคือเพราะเราไม่มีความสุขภายในใจเราเลยต้องไปหาความสุขภายนอกก็เลยไปทุกข์กับของภายนอกกันไปทุกข์กับราบยศจันลเสนทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสถ้าเรามีสมาธิมีความสงบร่างไอ้สิ่งอะไรนี้มันจะหมดความหมายไปเราก็ปล่อยมันได้ปล่อยข้างหนอกได้แล้วก็มาปล่อยตัวที่ยากขึ้นตัวที่ยากขึ้นก็คือร่างกายกับความรู้สึก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 อันนี้ก็เป็นขั้นของพระสวสดาบาลในขั้นของพระกิรดาคามีนาะคามีก็มาหั่กระความอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอันนี้ก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายของผู้อื่นของคนที่เราข้างไคร่หลงไหลดูว่าสวยจริงหรือเปล่างามจริงหรือเปล่า ดูส่วนที่ไม่สวยบ้างสิไม่ยอมมองกันพอมองแล้วมันก็จะมันอยู่ใต้ผิวหนังนี่เนี่ยหน้าเราเนี่ยถ้าลองเอาหนังออกมันมีอะไรอยู่ข้า ง, างใต้หน้าเราไก็มีกระโหลกศีรษะอีกมันมีอะไรมีด้วยกันทุกคนจะ ม, มองไม่เห็นกันใช่พยายามต้องฝึกสอนใจให้หัดมองให้เห็นมองทะลุไปใต้ผิวหนังให้ได้พอเห็นบ่อยๆแล้วมันก็จะ ใช้ม่ยมันก็จะไม่ไม่มีความอารมณ์นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเรายังปล่อยวางส่วนใหญ่ไม่ได้เราจะไปวา่าปล่อยวางส่วนละเอียดได้ไงอย่างคนที่สอนก็นว่าให้พิจารณาจิตให้อันนั้นก็คือเอาเอาขั้นสูงเลยขั้นพระอาหารหันต์เลย ปันโสดาเซกิดาคามีนี่ไม่ต้องไปสนใจมันถ้าได้อรหันแล้วได้หมดเลยก็ไม่ต้องไปเรียนอนุบาลไปเรียนปริญญาเอกกันเลยไม่ดีกว่าได้ใบเดียวได้ครบหมดเลยมันไม่ได้หรอกมันความรู้ความสามารถมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆมันต้องเริ่มจากง่ายขึ้นไปหายากสายเต้าขึ้นไป นอกจากในอดีตเคยเคยเคยจบมาแล้วเคยเรียนผ่านมาแล้วเช่นเคยจบปริญญามาแล้วเนี่ยพอกลับมาเกิดชาตินี้ความจำยังจำได้อยู่เด็กกัชริยะ เ, เด็กบางคนนี่จบปริญญาได้ในขณะอายุแค่สิบเอ็ดสบสองขวบอันนี้เพราะว่าความจำาก็ดีเข า, ายังจำได้อยู่ในทางธรรมก็เหมือนกัน ถ้าเป็นโซดาบันแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่ต้องมาเป็นปุถุชนไม่ต้องมาพิจ า, ารณาสกายาทิฏฐิแล้วเพราะไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็ยังมีความยังมีการอารมณอยู่ก็ทําไปแก้ที่ตรงนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นพระสกดาคามกีก็ละได้ประมาณครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าทําให้บาบางแต่ก็ยังไม่หมดต้องเป็นพระอนาคารมี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 ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจิตน้วนๆมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตของท่านดั น, นั้นมันก็ยังมีกิเลสอยู่ท่านก็ต้องพิจารณาเวลาจิตทุกข์ก็ต้องดูว่ามันทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์กับความความที่มีความสุขที่หายไปภายในจิตท่านละเอาความสุขหายไปก็เกิดความทุกข์อยากจะให้มันกลับขึ้นมาใหม่ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรัก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 อันนี้ก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆตามขั้นตามตอนเป็นไงหมดคำถามหรือยังหมดก็หมดเวลาพอดีก็ขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด